กายกับใจนี่มันมีปัญหาแต่เราไม่รู้จากมันถ้าเรารู้จากมันก็เป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นนิพานมันได้สวรรค์ น, นิพานเพราะกายกับใจมันเป็นสัตว์นโกเดฉานสุลกายเป็นเปรตเพราะกายกับใจมันมีมุนมีบาปเพราะกายกับใจเราจึงต้องศึกษาหานะคำตอบหานะคำเเลยให้ได้ อย่าจนมนมีช่องทางบอกผิดบอกถูกอยู่การผิดการถูกไม่ใช่คนเดื่ดบอกกายมันบอกใจมันบอกก้เราไม่สนใจก็ไม่รู้เฉยเฉยกับปาการที่มันบอกเหมือนเป่าปีใส่หูกลวยไม่ได้ยินได้เห็นหรือข้าหูวซ้ายออกหูวขวาเราก็จะคอยร้องให้หัวเลาะ ผลงานของเหตุปัจจัยแล้วครับใช่ตรงนั้นเราต้องมาศึกษาดูเมื่อวันก่อนได้พูดเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นคือการเจริญสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่เป็นต้นต่อที่มันจะหลงก็หลงตรงนี้มันจะลูกก็ลูกตรงนี้ก็เหมือนกับไขกุนเจอ๊ย่โซ่ ได้ก็เชื่อตรงนี้มันจริงจะไปไกลถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็เวียนว่าใจเกิดอยู่กับหลักอยู่อย่างนี้เราจึงมาดูมามีสติมาสร้างสติให้รู้กายเป็นกรรมาฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งเอาไว้จะให้ไปอยู่ที่อื่นสติมันมีแต่เราใช้ไม่ถูกที่ เป็นสติธรรมดาไม่ใช่เป็นสติปฐานสติธรรมดาอะไรก็มีสติเหมือนกันแช้งกวางนกหนูสัตว์เดือดฉานเขก็มีสติเหมือนกันอันนั้นเป็นสติธรรมชาติธรรมชาติยานของสัตว์สติปฐานคือออกไปดูมาดูกายดูทำไมก็หลักไปอยู่ตรงนี้เห็นกายกายเป็นสภาวะเราหลงอะไรบ้าง ถ้าหลงกายก็เป็นตัวเป็นตนในกายหลายพบหลายชาติเหลือเกินเป็นพบเป็นชาติอยู่กับกายเอากายเป็นพบเป็นชาติเอากายเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเปทุกข์เป็นความโลภของโกรกของหลงเป็นไปไกลเหลือเกินเขนเกิดชลามระโสกะไปเทวดทุกข์เป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดข้างเดียวได้มหาปูต์แต่รูปในรูปได้กายเกิดมาข้างเดียวแต่มันเกิดซ่อนอยู่ตรงนี้อีก ที่ว่านามรลูกมันเกิดอยู่ที่กายเป็นภพภพที่เกิดอยู่ที่กายนี้เราเรียกว่าสี่ขันมีขันสี่ขันมีขันหน้าขันดังที่เราตรวจน้ำตอนเย็นเมื่อกี้นี้มีขันขันเดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขันสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดอยู่ที่มหาภูตรูปก็เป็นภพเป็นชาติได้ ชาติภพที่เกิดจากเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิยานเขาก็มีสี่ขันนี้เป็นเปรตเป็นส่วนกายสัตวนรกเดือดฉานก็มีสี่ขันเป็นเทวดาก็มีสี่ขันเป็นพระยินทร์พระพรมก็มีสี่ขันส่วนมรรคนิพพานไม่เกิดอยู่ตรงนี้ดับไปแล้วปิดประตูโนรกปิดประตูอวัยวะผมเลยแล้วจะไม่จําเป็นต้องเกิด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 เวทนาที่เปเกิดความยึดมั่นถือมั่นมีตนอยู่ในเวทนานั้นที่มันเป็นพวกเป็นชาติตนหนึ่งเราก็เกิดอย่างนี้ทุ่งเทกับเวทนาไปซื้อไปหามาไปพ่นไปยี่ไปข่มขืนเราไปพอจ่อยเอาไปขัดไปแย่งกันเกิดสมมุติบรรยศยึดมั่นถือมั่นตั้งตั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยเวทนาสักไว้เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา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 สามทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเห็นหัวหน้าสําเร็จแล้วที่ใจแปลว่าหนังสือตำรรวัดเนี่แปลว่ามีใจไปเจอจุดแต่ต้นตาราจริงๆไม่ใช่แปลอย่างนี้ในหลักฟาสิตในตําราที่ร้อยกองมาอันนี้ผู้แปลตำหนังสือตำรรวัดก็ก็แปลมาใหม่ก็เลยมีคนดาเนินอยู่เราก็ไม่รู้ตาําราแต่ว่าว่าอย่างไงก็อย่างนั้นแต่ไม่ได้แก้ได้ไขอาได้ทั้งนั่นแหละ ฟังขมาธมาท้านมันมโนเศษรษฐามารวยาเนยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหนา้าสำเร็จแล้วได้ที่ใจคเคยได้เลาเรียนมาในนักทัรตีโทเอกก็จบทั้งทำเหมือนกันหลตา ต, ตอนแล้วก็เนี่ยมันมาถึงใจใจเป็นคู่กับอารมณ์ใจมันเกิดเจงถึ่นก่อนมาก่อน รับโลก่อนลองรับทุกอย่างเป็นทุกอย่างสถานะสับส้อนโสเคณีจิตโสเพณีโสเพณีจิตอะไรก็เอาหมดความกดก็เอาความโลภ ก, ก็เอาความหลงก็เอาความรั้ ก, ก็เอาความจังก็ อ, อยู่ในจิตดวงเดียวแต่ว่ามันแสดงออกในฉากต่างๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียวแต่ว่าเรามองเงาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในน้ําเวลาน้ํามีคลื่นดวงอาทิตย์ก็เป็นหลายดวงไป แต่จริงมีโรงเดียวที่มันเป็นหลายอันเพราะมีคืดคืนของจิตคืออารมณ์แต่แดงออกต่างๆ่งหมอร้องร้องไห้แล้วก็เกิดอย่างนี้ความรักกันเป็นความชังหนังสือเพียมแล้วมีปัญญารักกันแต่งานกันจะไม่ลูกสองคนพอเกิดชังกันก็ด่ากันตีกันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนชอบปัญญาก็ทนไม่ได้งอปลูกหนีแล้วมีก็าตามแปลว่าเกินมาปัญญาก็ไม่ยอมเกิน เลยอามีดแทงปัญญาตายแทงปัญญาตายแล้วมาแทงแตงตายทิ้งโลกกำพ่าสองคนป้าแปดอายุ8ขวบความรักกลายเป็นความศัตรูโอาขั้วลิตายกันได้เพราะนั่นนี้ไปเป็นสังขารแล้วก็ยอมใช่สังขารรับใช่สังขารเป็นชี้ค่าสังขารเวลามันโกะก็ทำชั่วได้เวลามันไม่โกะก็ปกติ ชีวิตจิตใจที่นี้มันก็ไม่มีความโกรธตลอดเวลาไม่เป็นจรมาเป็นข้างเป็นข่าวดังที่พูดวันนั้นจิตท้องามวันซาลาหลังนี้อารมณ์วันอาการทุกข์ที่จอรมาอาการทุกข์ที่จอนมาถ้ามาดีอย่างพวกเราพระเนรญาติโยมเป็นคนดีมาอยู่ที่นี่ก็ใช่ที่นี่เป็นประโยชน์สวัตดีพระก็เจตเอ เสลาก็เจตสะอาดดีนอกจากเราไม้มาอยู่อะไรมาอยูอ่มันก็ทำให้ผิดเพี้ยนไปศสลาหลังนี้จิตใจเราก็เหมือนกันเรามันรับอะไรทุกอย่างเกินไปหัดรับความรู้จึกตัวหลองเข้าไปดูเป็นเจ้าของแต่ก่อนนี้กายใจไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของสาธารณะ บางทีความหลงเป็นเจ้าของนานเหลือเกินความโกรธเป็นเจ้าของค้ามวันข้าคืนความทุกข์เป็นเจ้าของค้ามวันข้าคืนความรักความจังเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ใช่ในทางที่ผิดภาดช้ำมวมไปจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะาลมร่ายกูเสือทำลายคนมามากแล้วเอาจึงมาดูเห็นจิตในจิตจิตก็เป็นจิตล้นล้วนรับรู้ แต่ว่าในาจิตนั้นมีอารมณ์มาย้อมเรานึวาาวากนว่าเราโกรธเน้นว่าเราโกรธไม่ใช่มันในจิตที่มันมาเพื่อนเฉยๆเหมือนผ้าเรามาสะอาดแต่เดิมแต่สิ่งโสโปรกบัรจรมามาเปิดมาเพื่อนเข้าเพราะเราใช่ไม่ถูกเราโรกลเลินเกินไปก็เปิดเพื่อนเหมือนเรามีมีดใช้มีไม่ถูกประเภทก็ผิดประเภทก็เสียหาย การใช่ใจเนี่ยมันก็ต้องใช่ให้เป็นเรียกว่าปรกคตเมื่อดูแลการใจของเราให้มันคุ้มอย่าปล่อยปะละเลยปฏิบัติธรรมเคยมาดูแลนี่แหละถ้ามันอยู่ในล่องในรอยดูเหมือนเราดูแลคนป่วยดูแลลูกอดดูแลสิ่งของดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ รามันเหี่ยวมันขาดน้ําก็น้ําไปโรดมันมันก็เจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลหนกายใจเรานี้เราดูดูแลดีๆมันก็เป็นดอกเป็นผลเรื่องมรรคผลนิพพานศาสนาในต้องมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดถ้าพุทธศาสนาไม่มรรคผลนิพพานไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องมามีสถาสักวจสรวจเสียทรัพย์เจงอทอง เพราะมีมรรคผลนิพพานเราจึงมาสร้างมรรศรัทธาสร้างแล้วก็เป็นแหล่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้เป็นการศึกษามาใช้เป็นแสงแหล่งเรียนรู้ช่วยกันรักษาอไว้เพื่อแต่ใช้เป็นนานๆมาใช้สร้างแล้วเพื่อทำพิธีดีตองไปเฉยๆไม่เป็นมากเป็นผลมาใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติใช่เจนะจนะเพื่อบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่เพื่อโอวด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 เช่นความรักก็เจ็บเป็นหกวากาตายเป็นความกลัวก็เจ็บเป็นตายเป็นความทุกข์ก็เจ็บเป็นตายเป็นเราเวียนไหวตรงนี้ให้ตรงนี้รับใช่ลงโทษลงเรารับใช่แล้วก็เลยลงโทษเราเพราะเราจึงดูเหมือนพระเจ้าสอนพวกเราเมื่อพระเจ้าพระองค์ได้ตัดชะลูกขั้งแรกพระองค์ได้ออกจากพระโอษไม่มีใครมาทำอะาไรต่อให้จะแรงทำ พระผมก็ยังไม่มาลาตร า, าให้แสดงธรรมพระองค์ก็เอาพระโอษฐ์ออกมาออกอุทานเอามา่แต่ก่อนนี้เราไม่มียานอย่างรู้จิตของเราเดินเล่นท่องเที่ยวไปในสงสารไปในเอกชาตนั่นไม่ท้วนการเกิดตามพบตั้งชาติต่างๆเป็นทุกๆข่าวเกิดทีใดเป็นทุกข์ล่วงไปวันนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะทําอะไรให้เรามาได้อีกต่อไปของเรือนทั้งหมดของเจ้าเราเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปคือมันถึงมรรคผลในผานไม่มีอะไรปรงแต่งได้แต่ก่อนี่มันรับใช้การปรงแต่งพ อ, อมาจา่าปวดเรียว่าปฐมมัฟพาจิตเพิ่งขั้งแรกแล้วก็นํามาสวดกัน แต่เราไม่ถึงไม่ว่าถึงคือพระนิพพานมีแต่ว่ามันชินไปแห่งตันนะจบเช่นี้ที่สุดมันคือเพื่อนิพพานหลงตัวนู้นนะแต่ผู้เขียนหนังสือธรรมวจนก็ตัดออกกลัวนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดออกซะที่ยังมันถึงนิพพานจุดท้ายปารจิตข้อแรกพุทธปาริตปฐมปาริตนะเราจึงมาดูกางเกลือเจยบตาย การเกิดแบบหนึ่งก็ควรหมอดูแลพยาบาลดูแลทำคลอดอันการเกิดจากกิจใจของเราเนี่ยเทมันเกิดเป็นภพเป็นชาติเนี่ยเราต้องดูแลคนหมอเคืออะไรไามา่ได้อย่างเกิดก็เกิดในภพภูมิที่ดีจากน้อยปิดตายใยผมได้เป็นเทวดาเป็นพระผมเป็นพระอินท์เป็นพระ เ, เ, เวลาเราปฏิบัติขลงโปรเถียนสมัยสามสิเจสิปี พอเราวาดรูปเรื่องนี้เข้ารูปทํานามธรรมรูปบุญรูปบาปรูปศาสนารูปพุทธศาสนารูปปรมัตาร์รูปวัตถวการต่างๆอยู่ในการในใจเป็นอารมณ์ไปเหมือนกับว่าได้กระแสได้ทิศทางเห็นทางไปไม่ใช่เห็นด้วยตาพอเห็นรูปเห็นนามเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามปฏิปทาการ เป็นธรรมชาติมันบอกเรารูกมันบอกนามมันบอกแล้วก็เอารูปกวนามวิทําความดีแล้วความชั่วได้เด็ดขาดหลวงพ่อเทนถามว่าเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้ครับปิดอวัยภุมได้ไหมปิดได้ครับเป็นพระได้ไหมเป็นได้ตอนนั้นนะมันเป็นทางวัดปฏิบัติทางชีวิตจิตใจของเรามันต่างเก่ามาล่วงพ้นภาวะเดิมนี่ก็ ปิดอภัยใหมผมได้ผู้มีสติสมบูรณ์เนี่ยปิดอภัยให้ผมได้แต่ก่อนเรากลัวนรกเพราะเราไม่รู้วันนี้เราเห็นแทๆ้ๆเห็นกับตาจะให้มันอยู่กับเราทำไงเมื่อเราเห็นงูพิษเราจะไปให้งูมันกัดเราจยไงไเพราะเราเห็นเห็นกับตาแท้ ๆ, ๆเห็นกับการกระทำมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็ป้องกันได้เป็นผ้าไดไ้เป็นได้ พราคือมันใจมันดีกว่าเกา่ามันรู้กว่าเกา่ามันไม่งูเมื่อก่อนมันงูไม่รู้อะไรปวดก็เอาแล้วก็เอาชังก็เอาทุกข์ก็เอาสุขก็เอากระพัดอย่างวันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนันเรื่องเฉพาะน้อยๆพับเหมือนกับคนพับผ้าใส่กระเป๋าถือกระเป๋าแว่งใหญ่อยู่พับใส่กระเป๋ากางเกงภายไหนอยู่กับเราเห็นบุญเห็นบาป ลู่จัดนาลู่พุทธจัดจนาการเกิดแเจริญตายแทนที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นปัญญาได้การพัดภาคเกี่ยวกองรักของแใฉจใจก็เป็นทุกข์ปาจจัยจิตใดไม่ได้ไปสิตนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความว่าเพี้ยนใจก็เทุกข์แบบ น, นี้เราถูกความทุกข์อย่างเราแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้ว กำจะไหนาการทำที่สุดแต่งโกงพวกนี้จะปรากฏชัดเจนเราอุทิศหลานตังสมาจะผู้สังอุทิศทำตามพระพุทธเจ้ามันมีทางไปอยู่ไม่จนไม่ต้องจนพวกเรานะพุทธศาจในพวกเป็นทางอันเดกเลยท่าทายเอกมอมโควิสุทธิยาเป็นสถาบันของชีวิตเราสกโตเขียนไว้หน้าว่าเลยสถาบันสติปัฏฐาน สิสถาบันคืออะไรไม่ใช่อาคารข้าดหนึ่งขนาดสองสถาบันคือชีวิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเป็นสถาบันที่พระพวามช่วยได้ทำความดีได้เมื่ออุทิศมาทำตามเราดูมาศึกษาเราดูให้มันพบให้มันเห็นเขาการเกิดการแจกการเจ็บกา ร, กา ร, กา ร, การตายมันเป็นเรื่องทำให้เกิดมรรคเกิดผลเพราะว่าไะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเศร้าโศก ก็พูดให้เขาฟังก็เลยชวนมาปฏิบัติก็มีใบหน้ายิ้มแย้มจ่มใสขึ้นเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีอารมณ์กันหรือว่าอารมณ์มันก็นอนเนือนงในจิตใจเราเรื่องเก่าไม่คิดแล้วคิดอีกย่ำคิดเรื่องเดิมเริ่มคิดเรื่องเดิมก็ปเป็นกรรมอยู่นั้นหัดปล่อยหัดวางไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันในโลกนี้มันต้องพัาดจากของรักของเจ้าใจทางนั้น เพราะสามีคนดีจึงคิดถึงไม่ต้องคิดถึงสามีคนดีเขาก็ไปสู่ภพดีไม่ต้องห่วงเขาหลวงตาเคยไปสอนอาจารย์ในราชพัดน์ังเลยพ่อเสียชีวิตเขาก็เสียใจทำใจไม่ได้ร้องไห้ว่าพ่อผมเป็นคนดีพ่อผมเป็นคนดีผ ม, นนดผมขาดอะไรสักอย่างยังทำใจไม่ได้ก็อบอกว่าโอ๊ยพ่อเราเป็นคนดี พ่อเราเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ขาดตับกพร่องพ่อได้ทำมาที่จนอาจารย์ได้เป็นอาจารย์สอนเราจะพัดไม่บุกพร่องเลยไม่ต้องห่วงทา่านสบายแล้วท่านก็ไปดีเพราะท่านทำดีแล้วไปห่วงท่านทำไมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทางเส้นทางคิดใหม่อย่าไปคิดแบบความดีของพ่อออกมาเป็นตัวความดีของพ่อแทนที่ทอู้เราดีพ่อของเราเป็นคนดี พ่อเราตายไปเราละคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดีเหมือนพ่อเรามั่นคงกว่าเก่าอย่างนี้จึงจะถูกต้องนะเขาก็เปลี่ยนใจ้ะสามีเป็นคนดีเป็นทุกไม่ใช่เขาไปดีแล้วอาจจะดีกว่าหนูด้วยนะหนูยังร้องค่ายยังเลี้ยงลูกอยู่แต่ว่าดีหน่อยคือเป็นพยบาลไม่ลำบากไปกวดละ ไม่มีหมูมีมิตรเพื่อนผมไม่เบียดพี่น้องหลวงตาขอเป็นญาติคนหนึ่งมาเถอะมาที่นี่มาบ้านเรามแตรญาติกันงานปฏิบัติธรรมใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นละหลวงตาก็เป็นลูกกำพร้าแล้วไม่มีพ่อไม่ไมีแ ม, ม่ตายกันหมดแล้วแต่ว่าในจิตใจนีมันไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเราเคยทุกข์ประการเคยเจ็บเ จ, เจ็ตายเร่องนี้ต้องมารู้จักชัดเจนเอาเรื่องนี้หละเป็นปัญญาจากที่ พาคนหมอประสาทไปสวดอยู่ที่โรงพยาบาลเ ช, ลชียงคูณห้านาทีท้องก่อนจะจะขาดเอาพระสวดไปสวดเพื่อนหมอก็ว่าไปช่วยคนใกล้ต า, ายได้ผลดีไปสวดพระสูตรต่างๆจะเปสังขาราอริจาติยาธาปัญญาจะปัจจติอย่างที่สวดได้ฟังเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาวาสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมในนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน เอาควาไม่เที่ยงเปพันในผานเอาควาเป็นทุกข์เป็นพันในผานไปงมไปประดับมันทําไมเอามาเป็นมรรคผลในผานเหมือนตอนไม่ได้ปุ๋ยความเกิดแจ็เจ็บตายมันเป็นปุ๋ยให้เกิดมาเกิดผลได้ไม่ใช่มาลงโทษเราเห็นทุกข์ไปจึงไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าตัดจะรู้หรือจัตถีเเห็นทุกข์เข็นของประเสริดวันเราเห็นงูพิษโอ้ทู้ถ้าเราไม่เห็นมันมันจะทําลายเรา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 วันเราสวดบุญจีเนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ไปใครเป็นพ้องกันได้ความชราแจะเท่านําเข้ามายั่งยืนยอมรัดทิ้งในเสียงนั่งพวงนี่คือรูปลู่จากบรรซาไม่ใช่ไปถนอมจนข่อยเจ็บขอยปวดอกหักเสียใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราใช่มันจีเราใช้มันสําเร็จประโยชน์เป็นมากเป็นผลขึ้นมาพวกเราโสดโตจะพากันศึกษากันหลังนี้กัน แล้ศึกษาเร่องอืนไปด้วยเอาจิตระหน้าที่ของเพื่อนภิกษุญาติโยมก็อื่นช่วยกันไปบอกกันสอนกันอย่ามาอยู่เฉยๆเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้รู้ตัวอย่างนี่แหละเราไม่ใช่จบปริญญามาจ่าถ้าปริญญาคือยาตะปริญญากําหนดรู้ตัวอย่างอย่างรอบคอบเรียกว่ายาตะปริญญาตีละคณะปริญญาแจกแกงออกไม่ให้เป็นดุนเป็นค้อนเห็นรูปปองเป็นรูปเปทา ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเร า, าแจ ก, กออกไปแทนจิตก็จะว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราขอาไม่เหลืออะไรเหลือศูนย์เทียวว่าติลักณะปริญญาแจ ก, กออกไม่เป็นดุ่นเป็นก้อนไม่ให้มันถูกเราต้องเกิดเจ็บปวดไปหาหน้าปริญญาทําให้หมดไปย่าให้มันอยู่ข้างหน้าเราหมดไปมันหมดไ ป, ปบอกมันหลงผลรูปเกิดขึ้นความหลงก็หมดไปหมดไปแล้ว ความทุกข์เกิดขึ้นความลูกเกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปแล้วเรียกว่าปะหานปิญญาคือทำลายสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลให้มันหมดไปไม่ใช่ไปทำพิธีอื่นอ้อนวอ น, อนวงสวงเสียเคสดอโชคบอกเกิงๆอย่างนี้บางคนก็ยังมาขอนัมอนจากหลวงตาขอฝ่ายผูกแขนบอกการปฏิบัติเขาไม่เอาเขาจะเอาของปลอมๆไม่อยากได้ของจริง แจกเหรียญจกตัวความลามเทพเขชอบใหญ่ให้แจกธรรมะจะไหนให้ชอบเพราะก่อนเรามันมันหลงอยู่ว่าจึงบอ ก, กอะไรว่าเนี่ยคือปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมนี้ทาระความชั่วด้วยกายด้วยใจของเราทํำความดีด้วยกายด้วยใจของเราเราไม่เชื่อใครถ้าเราไม่เชื่อตัวเองเราจะให้ใครมาทําช่วยกายเราเขาจะให้ใครมาช่วยใจเรา เราต้องช่วยวเองเพราะที่เจ้าสอนคนที่ช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยวเองพระเจ้าไม่สอนปวีทิ้งเทวทัตอะไรนางกิจจะมาอีกา้ก่าอะไรแผ่นเดินสูบไปลงวันเลยคือเขาไม่ช่วยเราเราต้องช่วยตัวเอง